<laughs> ¶¶ การทำความสตัววิธีการสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเห็นก็มีอยู่สามวิธีอันดับแรกคือการพูดให้ฟังทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นอันนี้เป็นวิธีการสอนอย่างผมเนี่ยถือว่าพูดให้ฟังอาจารย์ สูัท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นบางคนเข้าใจได้แต่บางคนยังไม่เข้าใจจึงปฏิบัติไม่ถูกต้องมีอาจารย์รูปหนึ่งท่านมีความสามาในการสอนเรื่องความรู้สึกตัวคอยยืนความรู้กตัวที่จะสอนให้มือต่อมือไปยื่นให้โดยสายด้ามไม่กว่า ยื่นเรื่องความรู้สึกตัวให้กับลูกศิษย์ด้วยอาศัยด้างไม่กวาดวิธีน่าสนใจมากไม่ต้องพูดมากเลยเพียงแต่ยื่นผ่านด้างไม่กวาดเท่านั้นทำให้ลูกศิษย์เข้าใจถึงเรื่องความรู้สึกตัวได้อาจารย์คนนี้มีลูกศิษย์อยู่คนหนึง่งท่านก็ไปยามสอนลูกศิษย์อธิบายทำตัวอย่างเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยลูกศิษย์ก็ไม่เข้าใจ วันหนึ่งลูกศิษย์ลังกวาดพื้นใช้ไม้กวาดกวาดพื้นอยู่ขณะที่กําลังกวาดพื้นเนี่ยอาจารย์ก็เดินมาเดินผ่านสิงแล้วก็ไปนั่งบนอาสนะเพอลูกศิษเห็นอาจารย์มากําลังกวาดพื้นอยู่ใช่ไหมเห็นอาจารย์มาก็เลยหยุดกวาดพื้นถือไม้กวาดไปนั่งกลาวอาจารย์แล้วถามว่าอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร ถามถึงสามครั้งอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบอะไรลูกศิษย์คนนั้นก็เลยนั่งใจรอยคือน้อยอดในใจถามอาจารย์อาจารย์ไม่ตอบสักทีก็นั่งใจรอย <c oughs> อาจารย์เห็นลูกศิษย์เผลอนั่งใจรอยทั้งอะไรเอื้อมมือไปจับแม่กวาดจับด้านแม้กวาดเนี่ยฟาดไปที่หลังของลูกศิษย์ลู้สึกกําลังนั่งใจรอยถูด้านแม่กวาดฟาดเขาก็สะดุ่ง กนุ่มขึ้นมา ท, าทันทีจิตนี่ตื่นมาเลยจิตตื่นออกมาจากความคิดใจลอยจิตตื่นออกมาจิตนั้นมีความรู้สึกตัวอยู่หนึ่งเดียวเป็นจิตเดียวที่รู้สึกตัวที่ตื่นรู้ขึ้นมาอยู่เหนือสมมุติ<ม>เหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดจิตเดียวบรรลุธรรม ก้มกราบลงก็ร้องกรา บ, บอาจารย์ต่อหน้าทันทีไหนใครอยากจะบรรลุธรรมโดยอใสยด้ามไม่กวาดมั้ยเห็นไห ม, ไหมจากคนที่นั่งใจลอยมารู้สึกตัวนั่นแหละคือเข้าถึงความรู้สึกตัวแล้วเมื่อกี้เป็นคนที่คนที่ช่างถามนะคนที่ชอบถามเรื่องความรู้สึกเป็นยังไง ไ, ไม่ค่อยปฏิบัติถามอยู่เรื่อย อันนี้ก็จะเปิดได้ถ้าเขานั่งสมาธิมาก่อนอยู่แล้วทีนีเ้เขานั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่ า, เ, าเขารู้สึกข้างในเคลื่อนไหวอ่ทีนีเ้เขาชินกับที่รู้สึกข้างในเคลื่อนไหวแล้วทีนี้เรามารู้สึกข้างนอกเคลื่อนไหวนี่คือคาพูดเขานะเรามารู้สึกตัวกับข้างนอกที่เคลื่อนไหวแล้วในหนังสือหลวงพ่อเทียนเขียนว่า ไม่ให้นั่งเฉยๆไม่ให้นั่งคล้ายๆว่าไม่ให้นั่งสมาธิหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเทียนท่านเขียนในกุ้งมือรู้สึกตัวแล้วก็อทีนี้เขาก็เลยมีความสงสัยว่าเขานั่งองานมาก่อนแล้วแล้ ว, ว่าเขาเขาทําทั้งสองอย่างมีไหมคะแล้วหลีกิ่าก็เลยถามว่าข้างในขึ้นไหวอะไรขึ้นไหวข้างในเขาก็เลยตอนแรกเขาก็พูดไม่ ไ, มได้เขาก็บอกว่ามันกระดูอย่างตอนแรกนั่งแล้วมัน ง, งอจะพาน รีทงกะถามเขาว่าเอาให้ละเอียดแบบ น, นี้ข้างในเนี่อะไรเคลื่อนไหวเขาก็เลยบอกว่าอย่างเช่นเลือดอย่างเช่นลมที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้อย่าให้นนิ่งๆให้มีการเคลื่อนไหวเพราะการนิ่งๆเนี่ยทำให้จิตมันสงบแล้วก็ไม่รู้จึกตัวการที่ท่านเอากายมาเคลื่อนไหวไว้เพื่อกระตุ้นให้จิตมันตื่นปลุกให้จิตมันตื่น ตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกตัวจะเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเี่ไปสักพันธุ์ที่ว่าใจเราเนี่ยรู้สึกตัวหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> เพราะจิตมันสงบแล้วเนี่ยพอจิตสงบปั๊บมันจะขาดสติแล้วก็ติดอยู่ในความสงบเลยติดความสุขในความสงบจิตไม่ตื่นมันก็เลยไม่เกิดปัญญาท่านให้อาษัยการเคลื่อนไหวปลุกจิตให้ตื่นออกมาตื่นออกมา <c oughs> การสงบของจิตเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านแยกไว้ว่าสงบแบบจิตเข้าไปอยู่ในความสงบอันนั้นไม่รู้สึกตัวสงบอีกแบบหนึ่งคือมีความสงบแล้วจิตรู้ในความสงบมีความรู้สึกตัวอันนี้เป็นการสงบที่ถูกต้องที่มีสติสงบแบบที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันมันทำให้จิตเนี่ยมันมันหลงเข้าไปแต่การที่ท่านให้เคลื่อนไหวเนี่ยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการ เป็นวิธีการเพื่อให้มีให้เห็นความคิดต้อง mm hmm. ต้องการให้เห็นความคิด mm hmm. ถ้าไม่ต้องการให้เห็นอะไรเคลื่อนไหวข้างในเป็นเลือดเป็นหัวใจนั่นคือความคิดัรงนั้น mm hmm. แต่ว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันจะมีความคิดมันแทรกออกมาซึ่งมันชัดเจนกว่า mm hmm. ตงารงนั้นสงบข้างในมันกดทับความคิดมันจะกดทับความคิดไม่ให้เกิดขึ้นแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นการเปิดให้ความคิดเกิดขึ้นังือนรู้ที่อาจารย์พูดถึงนะั้น ลักษณะที่อยู่ในสภาวะที่ตื่นรู้เนี่ยก็คือบรรลุธรรมใช่ไหมคะตื่นรู้เนี่คือตื่นออกมาจากความสงบตื่นออกมาจากความคิด<ม>ตื่นออกมาจากความหลงตื่นมาเพื่อจะหเห็นสิ่งที่เราตื่นออกมาอ<ม>ันเช่เวลาเราคิดปั๊บทุกคนมันจะเข้าอยู่ในความคิดไม่ตื่น<ม>พอจิตมันตื่นมาก็เห็นความคิด<ม>ต้องเห็นความคิดแล้วก็เอาชนะความคิดได้เพื่อบรรลุธรรม เออออกมาจากความหลงออกมาเกิดสติปัญญารู้ความจริงนั่นแหละคือบันฑรุตธรรมเขาบอกว่าวาันที่สเหมือนกับที่พระอาจารย์สักโอท่พูตตอนเช้าเกิดยกเบอร์นี่แขนแขนี่แขนนี่เบามากจนจนองกมตัวเบาหวิวเลยแล้วก็อยากยิ้มยิ้มกับทุกคนดูทุกคนสวยงามไปหมดเลย ความสุขมากเลยอยู่สะพักแล้วพอดีเขาปีเตียงก็ตีไอเสียงนั่นนะ่ะเ<อ>ต็มแล้วก็เลยออกมาเลยแล้วพออันนี้วันที่สี่เราก็วันที่ห้าตื่นเช้าขึ้นมาก็พยายามหาแบบเนี้ค่ับแล้วก็พอพอมันใกล้จะเกิดขึ้นที่เดียวล้วพอมันใกล้จะเกิดขึ้นสักนิดนึง เขาก็เลยบอกตัวเองว่าอิมาแล้วมาแล้ ว, ลวดีจังเลยแล้วมันก็หายแล้วพอใกล้จะเกิดขึ้นอีรอบเขาก็ดีใจว่าโ อ, อ้มาแล้วมาแล้วแล้วมันก็หายแล้วหาตั้งแต่วันที่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้ทรมานมากเลยค่ะตอนนี้ที่เราไปปฏิบัติมาจนถึงวันที่สี่เนี่ยวันแรกๆจะไม่เกิดที่เอกเพราะจิตเราเนี่ยยังไม่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิ พอเราทำต่อเรื่ยไปเรื่อยเนี่ยวันที่สี่เนี่ยมันจะเกิดเป็นสมาธิของจิตอึ้งพอเกิดเป็นสมาธิแล้วมันเกิดปีติมองอะไรก็สวยงามไปั้งหมดมีความสุขนี่หลักดิมาถูกทางล้วนั่นแหละมันมันเป็นทางผ่านคนที่ปฏิบัติตรงนี้ยต้องผ่านตรงนี้ยผ่านปีติผ่านความสุขแต่สิ่งเหล่าเนี่ยมันไม่เที่ยง ม, มันสุขอยู่ได้แค่ช่วขนาดนึงเป็นทางผ่านที่เราต้องผ่านเลยไป จะไม่ได้เป็นที่เราคนเดียวนะอีกหลายคนนะก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้คือแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเรากําลังติดอยู่ในความสงบโดยที่ไม่รู้ตัวติดอยู่ในความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็พยายามที่จะไปค้นหาที่มันกิดทางตรเนี้พยายามที่จะค้นหาดึงอดีตเนี่ยให้ขึ้นมาเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และโอกาสเนี่ยจะกลับมาอย่างนี้ทีเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะมันมีความอยาก อันนี้เป็นแค่ทางผ่านเบื้องต้นถ้าเราไม่เอาความอยาดทํา <Yeah. S 1> ทต่อเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเราลองทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป <Yeah. S 1> แล้วเราเจริญสติรู้กตัวแบบสบายๆให้ต่อนเนื่องแบบไม่ต้องการผล <Yeah. S 1> เราจะเริ่มเข้าใจถึงจิตใจเรายิ่งทําไปจิตจะละเอียดขึ้นเราจะเห็นธรรมะที่สูงกว่านี้ความสุขจะละเอียดกว่านี้นะ เหมือนมะม่วงที่มันยังดิบอยู่กินไม่ได้ อ, อย่าเพิ่งกินเรารอสักหน่อยพอม่วงสุกแล้วกินจะได้กินมะม่วงที่หวานอร่อยสมมติกลับบ้านแล้วปฏิบัติแล้วที่บ้านเขาเขากี่วันนี้เขามีความรู้สึกว่าเมื่อปฏิบนะัติเนี่ยเขาได้คําตอบไม่ว่าแต่ชีวิตจากงานจากเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ที่บ้านเรื่อยออเรื่อยรื่อเอยได้คาตอบเรื่อยๆ ทีนี้เขาถามของเขาคือพอถึงบ้านแล้วปฏิบัติแบบนี้ถ้าสมมุติได้คําตอบบางอย่างแล้วว่าเน้ออะไรขึ้นมาที่มันเป็นสุดยอดเลยเวลาในปฏิบัติเนี่ยควรจะรีบเอากระดาษจดไว้ไหมแล้วว่าเดินต่อปฏิบัติต่อไม่ควรจดอะไรเลยการปฏิบัติไม่มีการบันทึกไม่มีความคิดไม่ต้องอจําไว้รู้สึกตัวเอาใหม่ทําเอาใหม่เลยผ่านไปข้างหน้าเลย แล้วคำเปล่าเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมพูดหมันประมวลผลละคะเพราะอาตารย์เขาเห็นเขาที่มาที่นี่เน่ยเพราะว่าเขาเห็นรูปอาจารย์จากเพื่อนๆที่เคยมาคอสเมื่อสองปีที่แล้วเราเห็นรอยยิ้มของอาจารย์ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอเราเห็นคนจีนไม่ว่าคนไหนที่ป่วยที่ไม่สบาย ก็จะมีใส่ ที่อาารอมมาทีนี้อคอสนี้มาแล้วมีความสุดตัแต่วันแรกร้องเพลงในใจมันร้องเพลงตั้งแต่เช้าถึงนอนนะคะแล้วก็เดินจงกรมไปเห็นตรงหน้าต่างที่เป็นไม้โดนฝนแล้วเปียกแฉเนี่ยที่จริงมันไม่งามแต่เขามองแล้วมันสวยมากเลยค่ะแต่นนี้คำถามก็คือ ที่มองเพลงแบบนี้แต่ ว, ว่าเห็นหน้าต่างที่มันความจริงมันไม่ได้สวยเลยแต่เราดูว่าสวย<ม>เกือบจะมีดอกไม้พุ่งออกมาจากไอไอตรงไม้นั้นแล้วอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเป็นเป็นภาพมายาใช่ไหมคะเป็นความคิดใช่ไหมคะเ ป, เป็นบีติเป็นความคิดเป็สมาธิเป็นศรัทธาก็ ธ, ธรรมดาแล้วก็รู้แล้วกันว่าเรารู้สึกแบบนั้นกระจกรงที่รู้ ก็น่าจะอยากจะถามว่ามันไม่ต้องไปเบิงตรงนี้มากไม่ต้องไปหลงอะไรมากใช่ไหมคะแค่รู้สึกคเมื่อกิจมันรู้สึกดีก็รู้ว่าอืมดีตอนนั้นเองเขาบอกว่าถ้าความคิดที่เรื่องดีๆเขาก็จะคิดนานแต่ถ้าเป็นความห่วงเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาก็รีบรู้เลยแล้วก็อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าเรื่องที่อดีเนี่ยเขาก็ชอบหลงเข้าไป ความคิดจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแค่รับรู้เอาไวา้ดีก็รู้ไม่มดีก็รู้ให้รู้เฉยเฉยเป็นมาสองวันแล้วเวลา ย, ยกมือมีแค่อยๆเสียงเพลงแล้วก็เป็นจังหวัดเป็นจังหวัดใดใอแล้วไม่ไม่อยากให้มีมันก็มีทั้งวันแล้วก็ทีนี้ก็เลยเพราะไม่อยากให้มีก็เลยตั้งใจเพง่งตั้งใจเพ่งกับมือทีนี้เสียงเพลงไม่มีแล้วแต่ว่า เริ่มห่วงแล้วนะพรมานนะก็ อ, ะอย่าไปห้ามมันเลไอ้ความไม่อยากให้มีเนะ่ยให้มีสติรู้ทันในควา ม, มไม่อยาก<ม>สิ่งเราก็ไม่อยากให้มีแต่มันก็ต้องมีมเพราะเราบังคับบัญชา ม, มันไม่ได้<ม>ก็อย่าไปห้ามเมื่อมั น, ม, นมีก็ปล่อยแต่เรามารู้สึกตัวที่มือเคลื่อนไหวไหมแล้วก็เห็นความไม่อยากเห็นความไม่อยากถ้าเราเห็นจิตที่ไม่ชอบความ <Okay. S 2> อยาก ปัญหาของจิตใจที่มีความทุกข์แล้วก็หาความสุขไม่ได้ก็เพราะไอ้ความอยากกับไม่อยากเนี่ยมันคือตัวเหตุของปัญหาเมื่ออยากให้มันเกิดอยากให้มีก็มีสติรู้ไว้อย่าไปห้ามเมื่อมเกิดความไม่อยากให้มันมีก็มีสติรู้ไว้อย่าไปห้ามอย่าไปทาตามความอยากและความไม่อยากจิ่จะหลุดพ้นออกมาจากอารมณ์า น, นั้นสบายขึ้น เอาชนะความอยากไม่อยากโดยการไม่ทําตามและก็รู้ทันใช่ไหมชอบเดินจกงกรมกับบ้านเนทเดินจกงกรมอย่างเดียวไม่ยกมือได้ไหมคะก็ได้ถ้ามันได้เมื่อยก็เดินไปเลยไม่เป็นไรอันไหนที่ทําให้เรามีสติมากเกิดมากก็ทําตรง น, นั้นมากมาแต่เวลานั่งรถระวังให้ดีนะเวลานั่งรถเนี่ยมันเดินไม่ได้มาเดินจงกรมในรถไม่ได้ที่ก็นั่งก็หยาบมือเล่นมานก็ได้ วันนี้มาถึงนี่รู้สึกว่าทํายังไงก็รู้สึกตัวได้ขยับนิดนึงก็รู้สึกตัวได้ตอนนี้สิ่งที่เขาพูดนะตามเขาพยายามบอกว่าเขารู้แล้วเขาทํายังไงเขาก็รู้ไปหมดะครับพูดเขาเป็นแบบนี้ก็รู้ต่อไปเรื่อยๆการที่รู้ตัดเรื่อยๆเนี่ยครั้งแรกเราเราฝึกขึ้นมาเพื่ อ, อรู้สึกตัวต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องตั้งใจฝึกสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ยังมีความคิดอยู่หมมีค่ะแล้วก็ดับเร็วมากแล้วมีมีความสงบไหมมีค่ะแล้วมี ค, ม ค, ความขยันขึ้นไหมความสุขมีมากขึ้นกว่าเดิมไหมวมมันหนึ่งมีความรู้สึกตัวกับความไม่รู้สึกตัวเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอ่าที่รู้เยอะกว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรตะโมหูทิชยิน มือยกอทำโน้นทำนี่เท้าเดิ น, น, น, นจิตคิดอตอนนี้ท้องหิวแล้วความรู้สึกตัวนี่เป็นยังไงความไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ตอนนี้เราเป็นอรหารหรื อ, อยังเอตอตัวนั่นคือความคิดอ่าเนี่ยแสดงว่าเขาปฏิบัติเป็นเขาทำเป็นก็ทำต่อไปเรื่อยให้มันเกิดความชำนาญ เราจะได้รู้เท่าทันเรื่องของกายเรื่องของใจเราจะได้รู้ความจริงว่ากายกับจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างไรมันไม่มีตัวไม่มีตนอย่างไรการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อการบรรลุธรรมเพื่อเป็นอรหันต์ไม่ใช่เพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากายจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราจริงๆ แล้วก็ปล่อยวางมันได้ mm hmm. ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยทิ้ง mm hmm. คือเอากายอกิจเนี่ยมาทำหน้าที่ตาประโยชน์ให้กับคนอื่น mm hmm. คนเจริญสติเป็นหรือทาความตัวเป็นเนี่ยจะแยกกันระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นคนละอันกัน mm hmm. ถ้ายังเจริญสติไม้เป็นก็กายกับกจิตที่จะรวมกัน mm hmm. นะการปฏิบัติต่อไปนะ่าจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ทำไปไม่มีคําถามสุดท้ายมีแต่คาตอบบอกว่าเมื่อวานคนที่ดียุงเนี่ยอาจารย์สอนว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายชีวิตอ่สิ่งที่เป็นชีวิตวัตนนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนจีนไม่มีพื้นฐานตอนนี้ก็เลยบอกว่าตอนเขากินผักกะเขา่าเขาก็เลยคิดว่าผักกะเขาคงไม่อยากจะถูกกินอะไรเขาบอกว่าเขากินผักกะเขา ว, วันเนี้ย เขาทำร้ายผักกาดขาวหรือเปล่าคิดมากไปการคิดจะทำร้ายหรือไม่ทำร้ายเนี่ยขึ้น อ, อยู่ที่เจตนาของเราถ้าเราคิดจะทำร้ายบอกปรกกาศขาวกูจะต้องกินมึงอันเนี้ยเป็นบาปเพราะจิตมันโกรธเออผักกาดขาวมันมันก็คือแค่เป็นอาหารของเราเรากินด้วยสติปัญญาเพื่อจะกินเพื่อจะให้เรามีพลงังแล้วก็ทำความดี ติดไม่มีเจตนาจะทําร้ายพักการ์ดมชีวิตไหมมันมีวิญญาณไหมเออบอกว่ามีครับมันมีวิญญาณไหมมีแม่แม่พักการ์ดเขาคิดมากเจอสิมากๆไหมอย่าคิดมากอย่าคิดมากที่จริงคําถามของเขาก็คือตกลงอะไรบังเกิดสิ่งที่เป็นชีวิตอะไรกับสิ่งที่ไม่เป็นชีวิตสัตว์แล้วก็มนุษย์ คนที่มีกายมีจิตยุงช้างมาบัวพายแมวเนี่ยมันมีชีวิตมันมีสีวิญญาณมันรักตัวกลัวตายแต่พวกผักพืชปลาต่างต่างเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีจิตวิญญาณอย่าไปเปทุกแทนมันเขาบอกว่ามันมีชีวิตค่ะก็อย่าไปกินดังรับนเราก็ไม่ต้องกินอะไรที่เราสงสัยว่ามันมีชีวิตทําให้เราบาปก็อย่าไปกินความจริงเขาคิดว่ากินได้หมด แม้เด็บหมแมวหมูอะไรเงี้ยกินได้หมดเพราะว่าตามธรรมดาของการสอนเนี่ยสัตว์ที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยก็รักตัวกลัวตายถ้าสมมติว่าเราเป็นแมวอืใครมาตีเราเนี่ยอืเราเป็นแมวใครมาตีแมวแมวก็พี่ชอบแมวก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันคนนี้มีเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยไม่อยากให้ใครเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเราไม่เบียดเบียนเขาหรือว่าเรา เราเท่ากับรักษาใจเราไม่เป็นคนที่หดเที่ยมเกิดปีปีเกิดตัวเ่าอยู่วันนี้เคยปฏิบัติสายนี้มาก่อนแล้วไม่เคยเจอแบบนี้อยู่วันนี้เกิดขึ้นทีนี้เขาใช้คำว่าก็รู้สึกเข้า ปฏิบัติเนี่ยเราฝึกที่นี่เพราะว่าเราฝึกอย่างเดียวเริ่มทาอะไรเลยเพอกลับไปที่บ้านเนี่ยอย่าไปหวังเรื่องความปองภัยหรือไม่ปอดภัยเราได้ฝึกของเราแล้วกันอย่าไปรอผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราได้ไปฏิบัติกค่แล้วกันเรื่องที่เรากังวลเนี่ยเราไม่ได้กังวลเดี่ยวนี้นะเรากังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่คิดท่าทายเลยว่าเอาละ่ะกลับไปบ้าน เราจะไปปฏิบัติให้ดีเนี่ยถ้ากเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหาตัวเองท้าทายแบบนี้ตีจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะเคยเรียนที่เอื่นมาว่าให้รู้สึกตัวไหวแล้วก็นิ่งสองตัวอ่แต่ที่ผ่านมาที่ปฏิบัติมีแต่เคร่งเพียร์อย่างเดียวที่รู้ถึงไหวถึงนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยชอบปฏิบัติสักเท่าไหร่ะตั้งแต่มานี้พยายามรู้สึกกับเคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่ได้ไปเพ่ง นิ่งก็เลยรู้สึกสบายแล้วก็ชอบปฏิบัติตัวนี้มีความสุขตอนนี้ก็เลยคำถามคือคือเรารู้สึกไหวอย่างเดียวหลังจากกลับบา้านเราว่าถ้าเราก้าวหน้าแล้วเราเรารู้สึกทั้งสองทั้งไหวทั้งนิ่งใช่เวลาเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ย <c oughs> อย่าไปเพ่งไหวยอย่าเพ่งนิ่ง <c oughs> ให้รู้ตัวว่า <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันนี้กํลาลังทําอะไรเอาลุกลอ่อดฝังคุมๆก่อน พอเรารู้ตัวต่อเนื่องเป็นานานเนี่ยจิตมันจะละเอียดขึ้นมันจะเห็นตอนเคลื่อนตอนหยุดเนี่ยตอนนิ่งตอนเคลื่อนเนมันค่อยพัฒนาติตขึ้นตรง น, นั้นสุดท้ายแล้วเมื่อจิตละเอียดที่สุดแล้วมันจะเห็นสิ่งที่มันชอบใจไม่ชอบใจตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นนิ่งไม่เห็นไหวไม่เป็นไรนะให้รู้ตัววปัจจุบันนี้กําลังทําอะไรเอาตรงนี้ก่อนพอทำไปเรื่อยๆจิตมันจะละเอียดแล้วมันจะเห็น เขาเขาก็เป็นบรรณากาลข้อที่ห้ากับข้อที่หแล้วก็เอากระดูที่ที่สะโพกและตรงไหนอะเอามาใส่ที่ข้อที่ห้ากับข้อที่หทุกวันนี้เขาเดินได้อะไรได้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ กายเนี่ยมันเป็นโครตส่วนกันบางอย่างจิตมันก็ควบคุมกายได้บางอย่างจิตก็ควบคุมกายไม่ได้เรื่องของกายเนี่ยต้องให้หมอรักษาเรื่องจิตเราต้องรักษาเองด้วยทำบ้าเมื่อเราปฏิบัติไปตออ่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยใจเราสบายจะมีความสุขอาการทางกายเนี่ยมันจะเบามันจะค่อยๆสบายขึ้นเราจะมีกําลังใจที่จะฝึกกาย อยาก้มันรุนแรงให้มันดีขึ้นใหม่เลยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ก, การไม่ได้ไปที่ไหน <c oughs> สำคัญที่ใจเราถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยเรื่องของกายเนี่ยมันจะค่อยๆดีตามมาจิตใจี่มันดีขั้นสูงสุดแต่ร่างกายเด่ยมันดีเท่าที่มันจะดีได้ <c oughs> จิตที่เข้าใจดีแล้วเนี่ยกายจะเป็ น, นยังไงก็ตามจิตมันได้เป็นทุกข์ก็ใช้ได้แล้วนี่เขาก็โชคดีกับผมเนี่ย <c oughs> เป็นเหมือนกันเลยแต่ผมก็เดินไม่ได้แต่เขาเดินได้นึกเสียว่าเขาโชคดีมาก